เมืองตัวงนให้ไปเรืยนแม้แต่จะฟังการกระทำเลยไม่มีขนในโเล็กมันต้องการกระทำเวลาซ้ำเนี่ยทำไปเรื่อยๆนั่นเป็นนี่นีเป็นนั่ น, น, น, นว่างวิ่งเสร็จไ่รับานเราจะแข็งยองมือทำวเวราทำนาม เธรทมนาเรียนเสือใยเสียปลูกไงน้ำ ม, มา น, นามี่น้ำว่างงั้นแล้วมันจะได้ผนไหมต้องลงมือทอาอ น, นี่จกักอันนี้ก็ทธรรมะคำสัสอนทธจิจัติมันสอนให้ทาสอนปฏิบัติในสุภีนปนโน เราฝูปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแล้วมันก็เลยไม่ดีฝูปฏิปโนคือปฏิบัติดีสาวสังโฆนั่นแหละเป็นสาวกุฏิเจ้าอย่างนี้วันมีเราแล้ไม่ปฏิบัติแต่มักคันก็เลยไม่มีตูสาสนาทั้ง ศาสนาคำสั่ของพระพุทธเจ้ายื้อเชื่อว่าบุญโมบายนลกสวรรค์คนเลยไม่เชื่อวาเดียนี้มักคนไม่มีวาละอัตละหันก็ไม่มีจะเอาอะไรไม่มีล่ะเจ้าอะไรมักมีล่ะของคนไม่ทําคนมนปฏิบัติ มันมีเพราะคนทําคนปฏิบัติอย่างเป็งนางานนี่แหลของสำคัญบุญบาปก็ไม่นี่สาปชนาซุกส ม, มุทุกควเมืองุดท้ายไปหมดแล้วหมดสาปชนาสาปชน ะ, ชนะทีเป็นยังไงสาปชนะเป็นครึ่งแกบทุกสาปชนะจะเป็นดับทุก อาทุกมีโอกาสใดศาสนาเป็นโอกาสนั้นอาคนเรามดทุกหละ่มะมาศาสนาหล่ะศาสนาเป็นเครื่องแก้ทุกเรื่องสำหรับทุกเรื่องดับทุกนี่คือศาสนาในกองทุกทางหลายอยู่ที่ไหนเล่าหาเป็นที่จนาดีที ในธรรมคุณอย่างเอฮิปสิกโกยังร้องเร่ยักทัก้งซัดทั้งร้านมาดูธรรมท่านในไปดูธรรมใั้มาดูธรรมร้องเร่รักทังร้ามาดูธรรมดูธรรมที่ไหนละมาดูโอปานิโกน้อมเขามาฮน้อมเขามา รูปธรรมนามธรรมนี่และลรูปธรรมก็กับภาพร่างกายของเราอันนี้รูปธรรมมีขาสองแขนสองมือซอันหนึ่งไอ้รูปธรร ม, ก, รมดดก็มาดูสิเราก็มาถือนี่แหละเป็นสัตว์เป็นบุคคนเป็นตนเป็นโตเป็นเราเป็นเขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย เลยพาตนวุ่นวายหลงอยู่ในโลกแบบนี้ถ้าเรามาดูแล้วมันเป็นคนที่ไหนเป็นผู้หญิงผู้ชาได้ยังไงโดยหลงไล่อยู่เที่นหรือขนนี่เป็นคนขนนี่เป็นคนแง๊บนี่เป็นคนฟันนี่เป็นคนหนังนี่เป็นคนเนื้อแล้วเป็นคนอ่ะ เนือเป็นคนนกะดูเนือเป็นคนตัดไปใส่น้อยใส่ใหญ่หันเก่า yeah. ห uh, uh, ันใหม่เลยเป็นคนดูดินีมันไม่เสครบหันเก่าหันใหม่ใส่น้อยใส่ใหญ่เนี่ยดูดิตัดไปนีดูดิกระดูกเนื้อตัวเนี้ยเป็นคนที่หมายจะเป็นเนื้อ เป็นหนังเป็นปันเป็นเล็กเป็นผมไลอยู่ที่คนที่ไหนเราันี่ยเไม่มีคนนี่มาล่องเลยกมาดูนี่เราเทือนนี่ละอ่าเป็นตูเป็นตนตัดทุกคนเราเขาเป็นของสวยของงามนี่เมื่อเราไปเจรนาเล่า มันไม่ใช่ขอนไม่ใช่เปนของสวยของงามไอ้เป็นญาฮะตเวสหลวาจาปริยนโตมีนังหุ่มอยู่เป็นที่สุดล้โลนนันะตะกาลาซสสิจินโน เ, นเป็นไปด้วยของมิสาดเป็นไปด้วยของมิสาดมีขมวะยิปการ ต, าตา่างๆ ตึงสมิ่งายเย่ในกายนี้ท่านไม่ได้บอกว่ากายนอนกายนี้คือตัวขงเรานั่งอยู่นี่แหละดูที่มันสะอาดที่ไหนเล่าเป็นคนที่ไหนแล้วไปอิบายนะนี่ละไม่ะอาดเพื่ออะไรคือผมทัทง้งหลายผมมันสะอาดยังไงดูที่ขนทั้งหลายเล็บทั้งหลายฟันทั้งหลาย หนังเรานี่ยเป็นของศาสยังไงเมื่อเรานี่ยเป็นของสาสยังไ ง, ง, ง, ไงมันรู้มันเห็นได้เราเห็นทถ้าผู้ใดพิจนาเหนแล้วกระดูกนี่เป็นความยังไงกระดูกขั้นเล็กความใหญ่ละพิจนาที่เนื้อโดนกรไทยกระกขับระตตอบตอนนี้ไจน้อยไตใหญ่ตัวนี้ มันเป็นคนยังไงมัสาบแล้วม่สาบล่ะจรงหอเนี่ยเมื่อเราเห็นเป็นอย่างนี้แล้มันจึงจะละสกายทิธทีได้ละวิงกิจาได้ละเสื่อพัฒน์สัตวธรมการลุคคำเมื่อผูริลักษณ์ังเกตุเป็นสามนี่ไะไรแล้วเนี่ยนั้นจะเป็นพระโสดาคิโดติ เมื่อปิจนาเห็นเป็นยังไงลวเนี่ยเราจะเป็นพระโสดาลักพะเขาไปพิจนาประโยชน์ตอนนี้นะกต่อไปที่เวัา น, นี้มันก็ไม่มีพราบยชนและเมื่อมีปราาะโยชนแล้วมันก็เป็นสกิทาคา เรามีสามรลาคะไม่มีแล้วต้กลเป็นอนาคานะลมีตรงนี้ลน ย, ยลยะเรานี่ได้แล้วความในรูปความแล้วเนี่ยเป็นยางั้น้นรู้จักมีตาลันละกิเลสปัญหาลาคะโลกะโทซามโมหะ ลูกชาตนาว่าะวะทานครบ้าตุไเห็นอย่างนี้มันกล็ลาได้พวกทั้งหลายนะรุนช า, าละหันเนาะเราไม่มียังไงเล่านี่เราไม่ละมันก็นเราไม่ปฏิบัติมันตะเลอดไม่เป็นศาสนะมัทธามัชฌมัยมัจจินัยเล่ า, านักผลเป็นมิโยนะมพุทธังพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณเป็นยังมิโย สวัสดิしし ok adding, ์นิพพานก็ยังมีอยู่นะเรื่อมก็มีอยู่แล้วนรกก็มีอยู่เปลิก็มีอยู่สเดะสามก็มีอยู่เนี่ยจะว่าอย่างไรล่ะมันหมดอย่างไรแตเราไม่ดูกปไม่รู้จากว่ามันเป็นเปลิเป็นยังไงเป็นนรกเป็นยังไงเป็นเดระสามเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องพิจารณามันโลกมันเห็นสิอ่า เหตุใดยังว่ า, างเล่านี่ละเราไม่โอปนในตัวน้ำประมาทมนุษย์จะดรัาโนมนุษย์จะเป็นสดิรล้างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นเสด็จสามหัวใจเดสาสดสมเป็นยังไงเล่าเกิ ด, ดมาแล้วบร้จัดางกราบการไหว้ทำบุญในทานเือความครบหนกน้อมบริจัดการ ปากฟไว้ฟ้าโจนาเสมือนเกษตาสตร์ล้ามันกิแล้วมันกันนาเนีร่างกายเป็มนุษย์แต่หัวใจกีจเดียวกิค้านอย่างนั้นตายแล้วก็เป็นเกษตรศาสตร์มัไม่ทช่กษรศาสรโนตัวที่ตายเราเป็นยางไงไหมโพวกเราที่เจนามรูมนเห็นได มือสาเป็นโตร่างกายเป็เน <C wheel S 1> ืหัวใจเป็นเตจมือจะหมูโคโฉเกิดจะยับปั่นนี่ละมือดัดพันไปละมันก็จะเป็นเตจหัวใจโดนนั้นมือสาเย่รางกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นนรก หายแล้วก็ไปอกนละล็อกอยู่เอาความคุ้มล็อกคุ้มใจความทุกข์ความร้อนไปดูสิหัวบาปไม่มียังไงเล่าอ่ามีความคุ้มล็กคุ้มใจความทุกข์ความร้อนอะไรทุกอะไรร้อนอ่ะอ่าเห็นฟ่าการทุกร้อนต้นไม้บุกเขาเรากาทุกร้อนถนนทางบ้านเมืองทุกร้อนหัวใจคนทุก ดูสินีรายปิจเญนาจรงนู้นผมเห็นกับเรานี่มสอซากีโอร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นเซวุสโตสีดานีเป็นยังไงล่ะมีท่านมีสิ้นมีโพวนาหัวใจดีหัวใจมีความสุขความสบายดอสินี่มนุษย์กำลวางไว้ มือซับผมาล้างกายไปเมื่อิควมสุราเมื่อเตือนคนนั้นันทีแล้วจิตทุกคนนั้นว่างเหมือนตาตาจิตคืองั้นนันละขับขันก็นป็นวามทางายมนุษย์รวจะมันจะทำเป็นไปเดีวนี้ เิ็นกรุกกรดาเป็นตีนกระมกรดีเป็นเตจระเสากกดีตายแล้วมันก็ดับขันก็เป็นตินอนี้มันขาบภาพตอนี้จะขากันให้รวัติความคับเิจารามันมเห็นมนุษย์รัดโตร่างกายเป็นมนุษหัวใจเปาหลานเป็นยังไงฝาหลาน ภูรากิเลสตนะราคาโลกาโทสามุหาวิสาตนะประธานภพธาภูรัมลาวนก็เป็นพลหันมพุโธดงกายเป็นมนุษย์หัวใจพพุทเจ้าพรพุเจ้าผู้รู้แสนแพงต่อสาลก็ดีอัตตงหลายดึงเสือพุโนรัรูเร็วโลเอง มีใครแนะนำความสอนท่านมันจะกัลสโลสมกุพเจนาโอปณิโยกขมาดูพิเตนานี่ยจะทำทั้งสี่ไล่ะพิเตนาความเกิดความแปกความเจ็บความตายนี่เป็นทุกข์เมื่อท่านเห็นทุกข์กันนี้แล้วทั้งกะเลออกันนอนบททำปฏิบัติ ทำทุกกิริยานหกปีอันเนื่อยแต่สรู้นะมันคิดเจรณาให้แล้วความเกิดแก่เจ็บตายมีแล้วซึ่งไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตรงนีคิดเจรณาเย็นเป็นอย่างนี้เราเลยไม่ได้พิดเจรณาแราเลยไม่รู้เจรณาเหนื่ือจัดทุกเหตุนั้นตากันตัง ไม่ัวของเราบ่านนาลไม่มีสวรรค์ไม่มีสวรรค์ก็เป็นยังไงบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงจะดูวันนี้แหละเราไม่สร้างคำหนึ่งถึงอดีตนาครอดีตรวงมาแล้วนัาครั้งหน้ามันยังไม่มาถึงดูเอาดูปจิบัติเนี่บาปเป็นยังไงความทุกข์ความยากทุกตรงไหนล่ะ ยากตรงไหนแล้วตรนั้นนะปาดตรงนั้นแหละมันนี้นนาปาปตรงป า, ากตาดูเอาอืมอันคิดติโกผู้ปฏิบัติด้วยเองนั่เองเห็นตาคุณไม่รู้ก็อมูลจะบอกอะไรมันจะไม่เชื่อเดืเอดงาน อ, องานรอบความปรุงพบปึงใจ่ะดูเขาอ่าเดือดงานละอดูเขาเานี่ย บุญคือความสุขความสบายอะไรสุขสบายใจเราสงบใจเราดีมีความสุขความสบายเพราะนั่นแหละบุญเรามาเนี่ก็ต้องต่างบุญต้องต่างตัวสนจะต้องตางความสุขความสบายถาดูที่ใจเราสุขสบายยัง เมื่อใจเราไม่มีความสุขแ้วเราไม่มีความสบายแล้วเราก็ไม่ได้บุญแเนี่ยแหงบุญอทาเราไม่รับความสุขความสบายสิใครอยากจะรับอยากรวยอยากสวยอยากงามุะรวสิคนทุกนรวยับรวยตใจตยวใจเราดีเอาทาอะไรก็ดีการงานก็ดีเนี่ยตัวอย่างนี้ ทำไรก็ดี ข, ข่ะขายก็ดีทำมาหากิ น, นก็ดีแล้วแต่ทำก็ดีเล่าเรียนก็ดีครอโคก็ดีชาวบ้านล้ากับประเทศษขานมั น, ำำ น, น, น, น, นก็ดีนําความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในดวงหน้าดูเอาสิ อ, าอ่าใจอืมดีเมื่ใขข อ, อ, อ, อใจดีแล้วก็มีความสุขใจอืมสุขไม่ใช่วัแถบรู้ของเงินทองสุขใจเรา สูขเพราะมันสงบถึงเนี้ยเมื่อใจสุขสบายเมื่อใจเราสบายทาอะไรสบายการงานสบายอะไรสบายเอาอะไรสบายนะวัเตื้อแท้ถึงเนี่ยพาไปในซุ้มลู่ซมเถินได้มสู้เฉย่ะดูเอาใจไขใจเราสัมผัิโกผู้ปฏิบัติดูงเห็นเอง เราไม่รู้แล้วใครบอกก็นม่เชื่อแล้วเออนี่ละอันนี้จากบาเป็นงไงทำไม่ดีเป็ยงไงใจไม่ดีทุกข์ยากวุ่นวายไยรอดอันนี้นงซัดทำอะไรทุกึ้นไปยากไหนไปอจจุกันจเป็นหน้าเราทำไมเกิดมามันยังทุกข์มั น, น, นยังยาก อยากอะไรว่าการเขาไม่ได้มีอะไรต้นไม้สูงเขาเราก็ว่าเมืองศ้นทางเขาไม่ได้อยากเลยวัดผู้เขาของทำร้ายต่างๆเขายิดีเชือยินดีอยากหัวใจคนนี้หัวใจอยากแล้วทำไรก็ยากหาอะไรก็ยากหาเงิหนหาทองก็ยากเล่าเรื่องก็ยากทําการทางานนั่งไปยากางดละ่ะ อเดิมมันละ่ะต้งโหยอะไรมันขึ้นมันยากแล้วเราได้รับตัวความทุกข์ความยากกันเจ้โหยใจไม่ดีทําไรก็ไม่ดี ท, ทํ า, า ไ, ใไรใช้ง า, านก็ไม่ดีสัมภารก็ไม่ดีหลสกฐานก็ไม่ดีครอบตัวก็ไม่ดีสาวบ้านรักก็ประเทศชาติก็ไม่ดีเมันเราดำคันนักขลิบที่ไม่ดีดูเอาสิมีใช้รึไม่ดีเมืเเอ่อแล้วเนสนี้แล้ว อ๋อไม่ใช่อื่นไม่ดีใจแล้วไม่ดีกะเลือดพุทโธตัดมันแน่นเราเรารูร้แล้วหมือนเลืดกละล่างมันนจ่เอาไปทำาไมเขาไม่ดีเราไม่อยากได้นีละขอปฏิบัติอาจะได้กินเนสรังแล้วโอปรนยิ่งโกยน้องก็ไปเท่มเล่นดสูสิอธิบายเสั็แล้วนี่เอโอน้องเรศสงฆมม์รูธรรมรูธรรม นามาทำคุติบายฟังแล้วจิตใจเราไม่ดีอ yeah. นา้ำมาทำจิตชื่อจิตใจเรานี้ไม่ใช่เป็นของแตกของทำลายไม่ใช่เป็นของสูญหายเรามาหยุดอันใดมันต้องเป็นอันนั่นเราก็ฝึกปฏิบัติใจเราทําได้มันจะเป็นอันนั่นใจของเราจะสมอันใดเข้า แล้อยู่ที่นั่นแล้ว เ, เป็นเนยกอลูกกอดนามก็พบกอดชาติไหนไใจไม่ดีแล้วนาไปรับความทุกข์ความยากใจเราดีแล้วกอดพบกรดชาติไหนจะรับความสุขความสบายนี่อาณจักรในซึ่งมือคุณเห็นอ่อไปนี่คุณขอปฏิบัติไม่ติทโสหรอกลงไทย เดี๋ยวนี้เราเป็นสุกขเป็นทุกข์ที่พาไปดูว่าจะนับพน์ให้มีมันมีอยู่แล้วตที่จวางไว้มาแล้วธรรมะทั้งหลายแต่ เ, เราไม่ได้ขัดเราไม่ได้เกา่าเราไม่ได้ดูเราไม่ได้พิจรารณาหรือไม่รู้จักของเราไม่ปฏิบัติอะไรไม่เป็นเนนจ้แล้วทำนั้นทำนี่ล่ะ้เมย์ทำแล้วมันก็ สำเร็จยังไงทำแล้วมันก็สำเร็จทำงานจุกสิ่งทุอย่างนี่แหละเป็นขอบปฏิบัติฉะนั้น้าไปยินไปฟังแล้วเอาตอนนี้ตายลงมือทำนั่งคทติเดสนาหมากไรเป็น้รนัโอ้ที่นั่งภาหนาอืมสบาย อ่านี่ล่ะคันจริงๆจังๆให้ดูทู้ดตู้นี้ล่ะดีก็ไม่ดีให้จับตรงนี้ไม่ดีก็รู้จัตรงนี้ล่ะไห้ทาดูอ่านั่งสบายเอามาเนี่ต้องการความทุกข์ความสบายนั่งสบายสบายตั้งกายในกลมอ่าขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าวางผ้าวางผาง ให้สบายสง่าผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสเมืออานนั่งสบายสบายเมื่อตายแล้วสบายแล้ววางดวงใจสบายดุจเตโาวนาแล้วนึกทำรู้ทำภาวนาของตนถ้าตายสบายแล้ววางดวงใจสบายใจสบายนึกถึงคุณสัจติเจ้ายินดีใจกระทำยินีใจพาอารียสงสาวอกยินใจเชื่อมันอย่างนั้น เนื้อไอยู่ในใจแล้วออยู่ในใจที่ใจผูร้รู้ใจผู้ธรรมใจเราผู้ปฏิบัติเมื่อใจไม่รู้แล้วทำอะไรมัจะไม่เป็นมาทำไม่ได้แล้วปฏิพึงไม่ได้ก็ผู้กระทำมาสมงปฏิพึงใจไม่รู้แล้วก็ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติในเป็นแล้วปฏิพึงอะไรได้แล้วงปฏิบัติเจ้ นรู้จ um ักเมื่อเชื่อมั la, ha, ่นนะจะนึกคำคู่ม่เคยนึกคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโธพุทโธอัมโมสังโธสามหนแลวในรวมมันจะพุทโธพุทโธคำเดียวนับปางนับปากลี้นก็ไม่ต้อดื ในระลึกตัในใจนะความรละลึกจะพุทธโธความรู้สึกตรงไหนแล้วตั้งสติีปตรงนั้นหูลงไปฟังตรงนั้นตากระแท่นดูตรงนั้นแท่นเื่อใจเรายากรู้รู้เปิดใจเวลานี้นะตายของเราเป็นยังไงมันดีหรือมันชั่วมันชุบหรือมันทุกข์ แมนะอยากรู้เรื่องขอวัดและกับปันทำขวัต ด, ดูซุบกบอะไ้มากกว่ากันดีกับชั่วอะไรมากกว่ากั น, ว, กกนวัดดูสิแหมขวัตและกับปันทำฝั่งนุปธรรมนามธรรมนี่สิทำทางหลายเรนี้มันเกิดมาจากไหนทำดีทำชั่วแหมใครทำให้ฟังดูสิ ทำดีแล้วรูไ้ได้อย่างไงเล่าใจเลยสงบดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจนั่นไม่ทุกข์ไม่ร้อนฟุตโฟใจเบิกบานสว่งสมไว้ความใสายสาดนี่นําความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันบนหน้าเนี่ยก็ดูเอาเตะนี่ดูได้สอนการความสุขความเจริญ อมันเป็นอย่างนี้เม่อใดเราเดือยทำอะไรก็ดีการงานก็ดีทำมาหาอะไรก็ดีถ้าขายก็ดีเงินผ่านเงินตันทองก็ดีครอบครัวตัวดีชาวบ้านร้านประเทศข้ามตัวดีเนี่ยตีอันนั้นไม่ดีอันนี่ไม่ดีตีอะไรเล่าข้าปากก็ไม่ปุบเขาเราคอก็ไม่ได้ดีเขไม่มีอะไรเออมัินทองเขาของทั้งหลายเป็นเฉย อ่าทำไมว่าจะดีจะชั่วอ่ า, ด, อาดูเอามัออนไม่ดีไดงไงใจแล้วไม่สงบใจไม่ดีใจไม่ดลยป็ทุกข์ยากวุ่นวายเดือทราอนทำนี่นาสัต์ทางไหนตกทุกข์ยากในปัจจุบันกำลังหน้าฟังเอาสิเมื่อใจไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีาทาทมาห า, ากินยั ง, งออไงก็ไม่ดีค้าขายก็มไม่ดี กานงานก็ไม่ดีครอบครัวก็ไม่ดีสาวบ้านร้านเวลาประเทศชาติมันก็ไม่ดีอยู่ว่าไงล่ะนีไม่ใช่ว่าอันอื่นไม่ดีตายเราไม่ดีไม่ใช่คนไหนปูกเขาเหล่ากาไม่ดีเอาของเงินทองไม่ดีตายคนที่ไม่ดีนี่ตายไม่ดีมันจะรับความทุกข์ความยากความลำบากแล้วอยู่ว่าไงล่ะนี่มันจะรับความกดความจนนั่นเรา รู้แล้วอะไม่ใช่เงินเป็ดเราไปรีบรีบนึกขุดโขตัดมันแค่แต่ให้รู้เห็นเราอยากรู้จะเห็นมาอยากจะยินได้ฟังฟังเอาที่เราอยากดีมันดีคืออธิบายฟังไหมร่ะถ้าไม่ดีคืออธิบายฟังแล้วแต่เราก็ไปเราก็ไม่ได้ของดีเราจะทนทุกขดูสิอะไรทุก คือใจเราทุกใจเราทุกมันก็ไม่คนทุกมันค้องทุกเป็นอไคือใจไม่ทุกืัวใจไม่ทุกมันก็คนทุกกันงเป็นใไส้กุฏิสลาลงทานทุกโบสถิหารทุกบ้านเมืองสุนถนนทางมันทุกใจคนทุกมีละอันบัญญัติศาส้ายตรงนี้อ่าฉนม่ได้บัญญัติศาสย้ายได้กวางาสยนไม่คือเขาโลกาบ้านเมืองสนนทาง สติสลายลงพังหมดที่ฐานบัญญัติกายสีใจของเราใ ห, ใหละความชั่วทวจจั้งกายวาจาจงรวมใจนี่ยก็ดูออเคละไปราความชั่วคือความทุกข์ความยากนี่แหละเนี่ยเราไม่จะได้ฟังดูดิเห็นธรรมสวยงามความดีทัางกายทั้งใจให้เรามีความสุขให้เรามีความเจริญอลากมีธุนงามความดี ตัวเสกาสนาทั้วางไว้อย่างนี้่าจิตตาเือต ป, ปันนังทำดวงใจของ ส, ส, สอายสใมันสคือน้ำสายกระจกมันสายแก้วสเยแล้วก็มองเห็นได้ดีสุขทุกทุกการงานทุกสิ่งทุกยานมันไม่ดีตรงไหนแล้วก็มองเห็นอ่า นี่มันใสแล้วเ อ, า, อาด้วยทำใสตรงนอมันใสยยนนนแล้วสงบมันก็ใสอาใจเมื่อสงบมันก็วุ่นวายใจต็มห น, นึ่งใช้อยู่กันว่ามด่ินงใดเกิดขึ้นมันก็รู้ทุกเกิดทุกเกิดขึ้นดีเกิดขึ้นก็รู้พะแท้ผู้รู้ เนี่ยเรื่องไอย่างนี้อตอนนี้ไปได้ยินเด็กฟังแล้วเราก้งตามกันใดแล้วตบฟังเขาทำเขาเอาเอใสของเราถ้ากัรหยัดศุกร์มันชุบวางให้สบายดิสุดสบายดิจะไปเอาติมในทุกจะไปยึดทำมันแด็กใจไม่ดีก็จะไปยึดทำมันเด็กเราไปยึดทำไม่ดีก็เป็นคนไม่ดีว่าไงล่ะ เราเป็ทุกเราก็เป็นคนทุกานคุณง่ายต่อไปสัญาว่าจะกินอะไรก็ตามยังนันจะตามไม่รู้ว่าสิ่งนั้ไม่มีอันตรายหรือเราไม่จำบริดุทน้าว้ยางคนตางดูใจงเรานี่ใครจะมาอธิบายละใจเรดูสิดีไม่ดีสมุดจบตรนี้กระดดูตรนี้กระดูกตรงหัน คุทธิโกผปฏิบัติหรือว่าเมตดหนักเมืต์ผลยังไงล่ะมักการกระทำมักคือการแปงเหมือ น, นเราทำดีเราทำดีแปงดีปฏิบัติดีไปรับผลความดีประพฤติไม่ดีทำไม่ดีก็รับผลไม่ดีนีผลมันเกิดจากการกระทา ต่อไปบางคนต้งเพงรียดด้วยวางสบาย หลอกวงไทยดูจัดที่ทำ น, น, น, น, น, นู่นคับคุณรับบอลาดสายก็ดีนอนไม่าีก็ดีอะไรก็ดีฮะเป็นต่อเดียดใดโอ้ยได้ไแล้วไม่ดี้วทำอะไรัก็ไม่ดี ต้นไม่ดีอ่ามันก็ต้นไมห้ต้นไม่ดีคนไม่ดีแล้วแต่ยูนี้ดอกมีทนดอกหนาไหมอ่ะทนมันดีคนมันดีเกิดดอกเกิดทนเกิดหนาทำไปแล้วไม่ดีแล้วจะหาอะไรมันดีล่ะตัวเราก็ไม่ดีแล้วดูร้ายต่อไป ไใจล้วไม่ดีแล้วทําอะไรมันก็ไม่ดีหาอะไรมันก็ไม่ดีเอาอะไรมันก็ไม่ดีมีสูบหายก็ใจไม่ดีแล้วแล้วมันมีได้อย่างไรล่ะใจเราดีแล้วทําอะไรก็ดีหาอะไรก็ดีเอาอะไรก็ดีมัมีก็หาไม่มากก็ชื่นเถอะวาง่ายหรือเอาเถอะเดี๋ไง เนีอยงไรยงใจดีแล้วอ่ดูขอเท็นะทางอไจทำไหมล่เนี่ยนะท่านนทุกข์ไม่อยากทุกข์นะมือจับถือศสตรสมารถือาสตสมารถือคือคือคือไม่คือพอ กติบัติแบบนี้มนไม่ดีตรงไหนก็สมณะตรงนั้นบ้านเมืองไม่ดีอะไรไม่ดีคนไม่ดีนะคนไม่ดีทั้งบ้านเมืองก็ไม่ดีคนทำบ้าน ท, ทำเมืองนะนี่ละไม่เสนอทูตประสาทนะข้ากันบอย ถือไรตัวยังไม่ถูอถ้าถอคือ่ากันยังไงจะแบงแมนงแต่น้อยก็จะไม่ทำเลิศยุ่มตรงนี้ฆ่าถูกฆ่าคุนยังไงล่ะไม่เยสะแต่ไมน้อยไม่ก็แบ้นี้กระโดดไปว้าวเอ่องา น, น นั่งระยะห่อยเดียวแค่นี้ตามันเริ่เห็นเลยดีก็ไม่ดีมันก็ไม่จัดนี่เป็ไงล้วเนี่มีแล้วมี้ี่ทำมันได้เยอะนี่แก็ไงล่ะเราท็ไม่ทำมีจะเลือนมีจะตั้งมจบบุ้มมือจับดาบ มีจัตคิดหรือจิตตัวเย็นใจใจสงบอ่ารู้ใ่าหมสิ่งของเราจะมีครบไหมล่ะครบนะไนนะอ่าเดินนะอะไรเอาที่ิ้ผิวทิ้งกลาวยิ่งเจ็บจบไหมล่ะ มือจ่าแี่เกิดขึ้นไวหมอกเมืองอประจักษ์ประสงเดินกระบกคอโด น, นเป็นทำเป็นไไมีนายแม่บแบบเนี่ยนี่รู้ว่าง่ายนี่ควรจะทำเพราะว่าทานเกิด อาพาเดินกระบนนีขอรลัคฐานะวะนี่นี่นีนี่นี่เดขอรลักฐาขอรลัคฐาไงขอตมรวจขอทหารพาเดินกระบ น, นเริ่มตัวอะไร เป็นภาคภท่านัวัดนนีฮะอาปนนกไม่ใฮะว่างักจเส้นทางเขาหรือไท่านผือท่านเป็นภาคนกัวัดตัวนี่ วัดเนวัดธอม่อ่าทกลับแล้วตามันเป็นพระแล้วจักกาันจะจับแล้วตายอ่าว่าไงหลเมันเากไปภไปเดอนขมาเล่าเดี๋ยวะนป็นประโยชน์อะไรอ่าเดี๋ยต้องรวมตายวาจาใจเรีรอยดแล้ว าที่คญยาติดของคิดเสืออยู่ในสือหินกับสุขของรวมกายวาจาใจเรียร้อยไมคทำโทษน้อยแางทั้งกายทั้งใจั้งใใเราว่าง่ายเราแต่งนมันเรียกล้อยไหมเร <c oughs> าไม่เรียรยอ้อยเหรออันนี้ยากใช่ วิสมาธิทาใจตั้งมั่นตั้งโดยตื่นตั้งไม่ะนะฮใจตั้งมั่นใจเสื่อมใจโยมใจเย็นใจสุขสบายะนะตั้งพะตั้งเงินได้ตั้งโดยตื่นไะเใชข้ามั่งตั้งเทาตั้ดักมือ่รือเปา ตั้งูแลวก็แตนดูนี่ก็บเราตั้งดูมันเองเองทางไหมนะเห็นนดุจนันกดุจแล้ก็ดูมันก็มีข้างตัางขาวกดูมันเองแล้วก็ผักกลมตัตมันใช่ได้ยาความวารู้ในกองสองขามง บางคั้งเนคนเปลี่ยงกายบาสครั้ิดแต่ารั้หลอกลวงมันเทงอย่างนั้นเนีแล้วไม่รุนแรงเลยนี่นะพาเราแล้วมันหมดเนี่ย่จริงจรงเนียเป็นตังเราก็สติสะสมเป็นเนื้อมาบุญของโลกเออว้าวมีสิงสมาธิจำยากเป็นเนื้มาบุญเนี่ กาบหน้าวะวสกุลอาุพานี่สักจะเป็นเนื้อนาบาปพวกนี้ว่าไงนี่คนปฏิบัติจะชินของเราใ่าไงล่ะยังงี้คนไปเลยไม่นับถือลดงดน้อมสาบสนาเสื่อมสรจแล้วคนปฏิบัติน่ากลื่อนมาเพ ปฏิบัติจนก็จะเล่นตามมารุ่เรื่องนี้ก่อนใช้ศาสตสมาร์ตแต่ใช้บริษัทคนเก่งเี life, mm. ่ยุนบี้มา่งบทศิษย์เราปฏิบัติจนก็จะเล่นนี่ค่ะศิลานี่ปฏิบัติทำไมจะเล่นด้วยช่วยโบสถ์ทศิษาเราเรือนจะสิ้สมาธิสัญญาขอปฏิบัติแล้ว เป็นปดบัติมื่การเรียนกป็นปฏิกาบในีาลักษณ์ถึงเนี่ยตาเตือนายโย่เป็นเจริญเนี่ยนีอัำเนี่ยนั่นหลายว่าเนี่ยเนี่ยอปราทญ์มาเรามีสามใบเนี่ยล่ะสามใบคือในอะไรล่ะเนี่ยมหาตวันเนี่ยหง ้องการวัดคู่ของเงินทอง ม, กมากๆใช่ไหมหาดันวนเนี้ยนะดว่าไงในสมกองการลูกสวยๆงามๆอายุยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยถูไหมนีนะ ร้ำต้องการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนี่อันนี้พากาไรลูกอาจไปซ่อมไปหลอกไปเล่นทันนอกรันในเพื่ออย่างมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดทำไหมในส่นความปรารถนาแล้วแน่มันขาดการกรรมขาดการปฏิบัตินี่ฉันจะได้วางปรารถนาไว้เออ การให้กระทั น, นทิห้จิหบัดง่วงวางทานชิ้นโคโนานิวายพระอานิสงฆ์นี่สิเราได้ทำไหวได้ทานไห ว, วได้สร้างไหวนะฮะคนอ น, นิสงฆ์นี่สิเนี่ทตกในชาติไหนก็ตามป็นคนมีอดมีอยากแล้วเราได้ทาไว้แล้วได้สร้างไปแล้วอะฮ แต่เราเมยทำไม่ได้สร้างมันจะได้หรือเปลียมมัน่อซายนาไปทำงานแต่ว่าเขาจะยุ่งจนสางมันจะมีได้ล่ะมันก็ไม่มีมิใช่หรือเนี่ยนี่เราไม่ทำไว้ไมย์สร้างไว้ประหัดได้มากๆคุณมันก็ไปได้สิเนี่ยยำก็ไปได้นี่ของเมย์ทำไว้เนี่ยมันแตเราไม่ได้ทำสวาได้หงล่ะหยัดได้เป็นไปได้ล่ะเ้าทำไว้เรื่างนี้ไม่นยางได้มันก็ได้ไม่ทำไปแล้ว นี่รหละคนอันนี้เอเอ๊ะทแล้วประยัดได้มีผู้จ่วย ส, สอนพานทรมไว้อันนี้สองตองการหุกเสเ ย, สยงามงา ม, มาอยู่ยืนนานอ่านสอนในหลักษศีลสาไรหลักษ า, า ก, กายสาวาจารหาักสาใจเรียบร้อย เกิดมากายเรียบร้อยว่าใจเรียบร้อยทำไม่ท si <os> ําโทษน้อยใหญ่ท uh, ั ure, BTS, a, baptized, ้งลายทั้งใจของเราแล้วมันก็สวยสวยงามแล้วเกิดมาก็มีมีโรคมีภัยแล้วทเไมทําไว้อองเนี้ส่วนมันเกิดมามีสติปัญญาเฉลียวฉาดสอนใหโทนนาเถินะสมาธิโกรนาพุทธ โมโชุโหอย่าง น, นี้ล่ะคนงานนี่สอง น, นี่ล่ะนจะนำจะตีปัญญาใ ห, ห้ให้ตะจุบันเป็นตรงหน้าเออะจั น, นไม่เลยวัดตัววันมันดีมั น, นมชั่ว น, วนิจจ์น่มันไม่สะาบตรงไหนแกะหางนั่นอันไม่ดีตรงไหนสำลักตรงนั่นแกะ วัดดู่นสุ่เนีคุณก็เาว่างนนง่ายรืว่าเดินทางไกตนีอ๋ออตวันอกเฉียเหน ครับคอนกะดอบโอยผมันนี้ครอบแบบนี้คือยังกางคืนกลงวันห่อยที่พอจะได้ไปเพื่อไปนั่นไปนี่บ้ไม่เอานะ อ๋อเดี๋ยวันกตขึ้น มีเสีบยบไม่งานเลยล่ะชดบกินนี่ดิมอดีนนเจนตอนไม่เป็นยาติดดอกงอกผลเลยล่ะนี่ตอนในะดเราไม่เกิดคยขึ้นตันใดเคยเคยมีวิ่งไปมีใจคนเย็นก็เหมือนกันนีไปเรงใปดินเนี่ยนี่สิจักตนเดินเอาทองาดิตายเราเยียมหน้าแต่ตายมือสะเทมันร้อน เปนไม่เป็นยาของครู้เรื่องสายงานผมใดยันไม่เจอเจอทีไม่ได้ผมใดเจอความรู้เรื่องสตดีมารใส่คนานด้วยกันเนี่ยรับมเอมนียโอ้โหขาไมยย้นก็รวยน้หลงไม่คิดม่ไม่ให้ทารูหรือเปท่าน พุทโธตัณโอตัณฑ์โควันรู้อะดัใหญ่ใชหเนี่ยในสาแต่วเนธตัก็มตัวันร้รเดับใหญ่เนี่ยนะะ